ถ้าเราอยากเป็นคนรวยแล้วก็ให้ทาน <c oughs> อยากเป็นคนสวยแลว้วรักษาศีลอยากเป็นคนมีปัญญาดีก็เจ ร, ริญปัสนาญาง่ายอยาก